เป็นได้ทั้งสองประเภทแต่ว่าการปฏิบัติในกายยัคตาสตินี้ที่ท่านให้เอาสติระลึกถึงกายเป็นอารมณ์เราก็ต้องหวนมาศึกษาถึงเรื่องกายก่อนว่าในกายเรานี้มีอะไรบ้างที่จะเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติมีกรรมฐานอยู่ประเภทหนึ่งท่านเรกว่ามูละกรรมฐานมูระกรรมฐานเนี่ยผู้ที่เคยบวชแล้วจะต้องได้รับจากอุปชัยะก่อนเพื่อน ตอนที่บวชเป็นพระสงฆ์หรือสมัมมเนรอุปชายยจะบอกมูรากรรมฐานให้แกเราก่อนมูรากรรมฐานนั่นก็คือเกสาโลมานะขาทันตาตะโจหรือเรียกว่าตะาจากปัญจกรรมฐานก็ได้ตะาจากปัญจกะกรรมฐานซึ่งเป็นกรรมฐานที่มีตะโจเป็นที่ห้ามีหนังเป็นที่ห้าเนี่ยเราได้รับทุกคน พอบวชอุปชัยจะต้องบอกให้เราท่องอย่ากเกษาโลมาณขาธันตาตะโจแปลว่าเกษาแปลว่าผมโลมาก็แปลว่าขนณขาแปลว่าเล็บธันตาแปลว่าฟันตะโจแปลว่าหนังทั้งห้านี่ยเรียกว่ามูลกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานที่เราได้รับครั้งแรกจากพระอุปชัยยะและให้ท่องเป็นอนุโรมปฏิโรมไปเรื่อยพอท่องเกษาโลมาณขาธันตาตะโจแล้ว ก็ให้ท่องตะโจทันตาณขาโลมาเกสาย้อนกลับไปเป็นอนุรมปฏิลมอยู่อย่างเนี้ยจนกว่าเราจะคล่องใจคล่องวาจาแล้วก็ไปคล่องใจแล้วก็พิจารณาถึงลักษณะของกรรมฐานทั้งห้าเหล่านี้ให้เข้าใจอย่างถูกต้องออที่ท่านได้บอกกรรมฐานข้อนี้เป็นข้อแรกและเป็นมูระกรรมฐานนั้นก็เพื่อที่จะได้เป็นเครื่องกำกับใจ โดยปกติธรรมดาแล้วผู้ที่บวชใหม่ๆนี้บางครั้งจิตอาจจะฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านแล้วจะทำอย่างไรจิตนี้จึงจะสงบท่านบอกต้องท่องกรรมฐานข้อนี้ถ้าหากว่าบริกรรมกรรมฐานข้อนี้แล้วจิตใจก็จะสงบสบายไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นซึ่งเป็นวิธีที่จะกำราบใจของพระภิกษุที่บวชใหม่แต่ความจริงแล้วเรื่องการปฏิบัติอย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นใหม่เป็นเก่าก็ต้องปฏิบัติใช้ได้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นทั้งใหม่ทั้งเก่าฉะนั้นการที่เราจะศึกษาในกายคตาสตินี้ขอให้ท่านทั้งหลายนึกว่าในตัวท่านมีอะไรบ้างทุกๆคนเนี่ยต้องนึกในตัวเรามีอะไรบ้างเรารู้กันได้อย่างดีแล้วว่าเรามีอาการอยู่สามสิบสองมีอยู่สามสิบสองอย่างในตัวเรา เรามีผมขนเล็บปันหนัง <c oughs> เนื้อเอ็กอนกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทางผืดไปปอดมีไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามีดีเสเลดหนองเลือดเหงือ่อมันข้นหรือใครเรามีน้ําตามันเหลวน้ําลายน้ํามูกไขข้อมูดคูดมีอยู่ในตัวเราทั้งหมดขอเหล่านี้มีอยู่ในตัวเราทั้งสิ้น เมื่อมีอยู่ในตัวเราอย่างนี้แล้วรักปฏิบัติในกายยคตาสตินี้ท่านก็ให้ยกเอาของที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยขึ้นมาพิจารณาความจริงเราก็พิจารณาตัวเราทุกๆวันอะ่ะ <c> เ <oughs> ช้าขึ้นก็พิจารณาเพราะว่าบางท่านอาจจะส่องกระจกวันหนึ่งตั้งหลายครั้งแต่ว่าเราไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ เราพิจารณาถึงข้อบกพร่องต่างๆที่มีอยู่ในตัวเราแล้วเราก็เสริมสร้างหรือขจัดข้อบกพร่องต่างๆเหล่านั้นนะให้หมดไปแต่ว่าเราไม่ได้พิจารณาตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าจะให้พิจารณากันอย่างไรออหลักการปฏิบัติให้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของกายคตาสตินี้ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจไว้ก่อนเช่น ในตจัปัญจกะกรรมฐาน <c oughs> วิธีที่ท่านจะให้ประสงค์ปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ใช่ให้ปฏิบัติหมดทั้งสามสิบหกอ่าสามสิบสองแต่ท่านถ้าจะให้เราปฏิบัติในหมวดใดหมวดหนึ่งซึ่งไม่มากนะักอย่างมากก็หกหกข้อเช่นอย่างปจัปัญจกะกรรมฐานเนี่ยซึ่งแปลว่ากรรมฐานที่มีตัจโจคือหนังเป็นที่ห้าเนี่ยหมวดหนึ่งหรือว่ากะปัญจกะ กรรมฐานซึ่งก็แปลว่ากรรมฐานที่มีวัคก้คือม้าเป็นที่ห้าเนี่ยหมวดหนึ่งหรือปภาสะปัญจกะซึ่งแปลว่ากรรมฐานที่มีปอดเป็นที่ห้าเนี่ยหมวดหนึ่งหรือมัถหลุงท่าปัญจกะซึ่งแปลว่ากรรมฐานที่มีกรฤสังหรือมีมัทถหลุงขังเป็นที่ห้าก็ได้เนี่ยหมวดหนึ่ง หรือเมทัชกะซึ่งแปลว่ากรรมฐานที่มีเมโทคือมันข้นหรือเท่าใครหรือใครเนี่ยเป็นที่หกในหมวดหนึ่งหรือหลักปฏิบัติที่มีปฏิบัติในในข้อที่ว่ามุดตัดฉกกะซึ่งแปลว่ า, ากรรมฐานที่มีมุดปังคือมูดเป็นที่หกนี่ก็มี ท่านสอนให้เราได้ปฏิบัติเป็นข้อๆว่าเราจะเอาหมวดไหนหมวดใดหมวดหนึ่งสําหรับในวันนี้สมาขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาถึงตะจะปัญจกะกรรมฐานคือกรรมฐานที่มีตัะโจรหรือหนังเนี่ยเป็นที่ห้าเอาไว้ก่อนสักสิบห้าวันคือทัานสอนให้เราบริกรรมทีละสิบห้าวันหมวดหนึ่งสิบห้าวัน ถ้าไม่สิบห้าวันก็ให้เราเท่องสักหนึ่งอาทิตย์ก็ยังดีคือระหว่างอาทิตย์นี้ถึงอาทิตย์หน้าให้ทันทั้งหลายท่องหมวดนี้ให้คล่องสักหมวดหนึ่งเรียกว่าปัจจปันจัก ก, กรรมฐานหรือมูลกรรมฐานเนี่ยสำหรับผู้ที่ไม่เคยเบวชก็อาจจะไม่เข้าใจก็ขอให้ใช้หลักปฏิบัติอันนี้ หรือที่บวชมาแล้วแต่ว่าอุปชายยะไม่ได้อธิบายโดยละเอียดว่าวิธีปฏิบัตินั้นมันจะเกิดประโยชน์อย่างไรแล้วก็ทำอย่างไรเนี่ยก็ขอให้ทา่ทานทาั้งหลายทดลองปฏิบัติดูใหม่อีกสักครั้งหนึ่งว่าปัจจักพันจกกกรรมฐานนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างไรเรื่องปัจจักพันจักกรรมฐานนี้ท่านให้เราพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจ พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นไปก่อนผมขนเล็บฟันหนัง ท, ที่การพิจารณาถึงผมขนเล็บฟันหนังดังกล่าวนั้นเราจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไรสําหรับวิธีที่จะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี้ก่อนที่เราจะ ไปพิจารณาเนี่ยให้ท่องให้คล่องเสียก่อนท้านบอกให้คล่องปากเสียก่อนใช้คําว่าเกสาโรมานาขาสันตาตาโจโวใช้ปากท่องให้คล่องเสียก่อนเพราะว่าออวิธีที่ให้ปากใช้ปากท่องนี้ก็เพื่อที่จะให้มีการจดจําง่ายท่านบอกว่าถ้าเราท่องด้วยปากคล่องแล้วก็ทําให้การพิจารณาด้วยใจนั้นคล่องขึ้นฉะนั้นการที่เราใช้ ปากท่องอยู่เสมอเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาทางใจฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายท่องให้ครองซะ ก, ก่อนว่าผมขนเล็บฟันหนังหรือเกสาโลมาณขาธันตาตัโจจะใช้เป็นรูปมรคภาษาหรือจะใช้เป็นรูปภาษาไทยๆก็ได้ว่าผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังห้าห้าอย่างการพิจารณาเช่นเนี้ยท่านมีหลักพิจารณาว่า เราจะต้องพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้โดยสีอย่างหนึ่งแล้วก็โดยสัญฐานอย่างหนึ่งโดยทิศอย่างหนึ่งโดยโอกาสอย่างหนึ่งโดยปริเฉดอย่างหนึ่งที่พิจารณาโดยสีนั่นก็คือให้เราพิจารณาดูว่าผมเนี่สีอะไร ขนสีอะไรเล็บสีอะไรฟันสีอะไรหนังสีอะไรโดยให้เราพิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังไปตามลำดับแล้วก็พิจารณาเป็นปฏิโรมกลับมานี่อีกครั้งหนึ่งท่านบอกว่าในตัวเราทุกคนนี้เบื้องบนตั้งแต่ผมลงมา เบื้องต่ำตั้งแต่เท้าขึ้นไปเต็มไปด้วยของที่ไม่สะอาดหมายถึงทั่วกายนี้เต็มไปด้วยของที่ไม่สะอาดเบื้องบนตั้งแต่ศรีรษะลงมาถึงเท้าแล้วก็บื้องต่ํต่ตั้งแต่เท้าไปจนถึงศรีรษะท่านบอกเต็มไปด้วยอาสุจิอสุจินี้แปลว่าของไม่สะอาดอันนี้เราจะเห็นความเป็นปฏิกูลในร่างกายเราเนี่ยได้ชัดเจนว่า ตั้งแต่ผมลงมาจนกระทั่งถึงเท้าหรือตั้งแต่เท้าขึ้นไปจนกระทั่งถึงผมเต็มไปด้วยของที่ไม่สะอาดทั้งนั้นทำไมจึงเต็มไปด้วยของที่ไม่สะอาดคอนี้ตอบไม่ยากเพราะว่าเราเกิดในที่ที่ไม่สะอาดเราก็มีแต่ของที่ไม่สะอาดทั้งนั้นเพราะสถานที่เกิดของเรานั้นไม่สะอาด นี่หมายถึงที่เกิดของมนุษย์ว่าเมื่อเราเกิดในที่ที่ไม่สะอาดแล้วในร่างกายของเราก็จะเต็มไปด้วยของที่ไม่สะอาดด้วยอย่างผมถ้าหากว่าเราไม่มันสะมันสางก็จะเหม็นสาบผมของเราเนี่ยถ้าเราไม่มันสะมันสางอยู่ก็จะเป็นของที่เหม็นที่สุดซึ่งเราจะเห็นได้จากเอาเส้นผมไปเผาไฟเราจะได้กลิ่นผมที่เหม็นที่สุดขนก็เหมือนกัน เล็บ ก, ก็เช่นกันเล็บ ก, ก็เป็นของที่ไม่สะอาดผมขนเล็บปันก็เป็นของไม่สะอาดหนังก็เป็นของที่ไม่สะอาดเนี่ยทั่วกายของเรานี้ท่านบอกว่าเต็มเรื่องของที่ไม่สะอาดท่านบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผิวหนังเนี่ยสันฐานของผิวหนังนั้นเรามองเห็นได้ง่ายว่าผิวของเราเนี่ยมีมีสีเป็นอะไร เห็นสีของผิวหนังได้ชัดเจนในผิวหนังที่ห่อหุ้มทุกอย่างในกายนี้เหมือนกับเป็นวัตถุที่มามาโคดไอสิ่งที่มันไม่ค่อยจะสะอาดเนี่ยไม่ปรากฏออกมาปิดหอหุ้มเอาไว้ท่านบอกว่าคนงามหรือคนไม่งามนี้อยู่ที่ผิวหนังผิวนี่เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันและเมื่อเราถก หรือเราลอกเอาผิวของเราทั่วกายเนี่ยมารวมกันเข้าท่านบอกมาปั้นเป็นไม่กลมกลมแล้วจะโตเท่ากับมเมล็ดพุ้สามเมล็ดในของพุ้ราแต่บอกเท่านั้นเองอะ่ะมาปั้นกลมกลมเลยเหลือนิดเดียวบอกผิวหนังเนี่ยถ้าเราลอกออกมาแล้วเหลือนิดหนึ่งเป็นของที่บบกบางมากฉะนั้นการที่เราได้นิยมกันว่าคนนั้นผิวงามคนนี้ผิวงาม ถ้าจะประมวลความงามแล้วก็คงขนาดมเมล็ดพุทตาเท่านั้นเองโดยจำนวนก็มีอยู่แค่นี้และจากใต้ผิวหนังลงไปแล้วเราจะพบว่าไม่มีอะไรงามเลยตั้งแต่ผิวหนังลงไปจะมีแต่ผิวหนังเนี่ยเคลือบอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองปกปิดสิ่งที่ไม่งามเอาไว้จากนั้นไปก็จะไม่พบความงามอะไรแต่บอกถ้าหากว่าเราเอาผิวหนังออกหมดแล้ว เราจะไล่มแมลงวันไม่ไหวมแมลงวันจะรุมตอมแล้วก็แรงกาก็จะพากันมาจิกกินเพราะว่าในร่างกายของมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรงามเหมือนกับเรามีถุงหนังถุงหนึ่งที่บรรจุของโสโครกเอาไว้นอกจากนั้นก็ยังมีโรคสมาบอกว่าเชื้อโรคเนี่ยที่มีอยู่ในตัวเรานี้มากมายหลายสิบจำพวกอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมด เนี่ยถ้าในพิจารณาถึงความจริงของกายว่ามีอะไรงามบ้างให้พิจารณาดูตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่เป็นการพิจารณาตัดโจคือหนังเราพิจารณากันได้ง่ายเพราะว่าในตัวเรานี้ก็ไม่มีอะไรงามถุงหนังถุงหนึ่งที่บรรจุของที่ไม่สะอาดเอาไว้ทั้งนั้นฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่มันจะหลุดออกมาจากถุงหนังนี้ มันก็เต็มเปด้วยของที่เป็นปฏิกูลทั้งสิ้นและทุกๆวันที่เราเอาอาหารใส่ลงไปก็ไม่ใช่เป็นของสะอาดอาหารทั้งหลายก็สะอาดในด้านที่ไม่มีเชื้อโรคแต่ว่ามันไม่สะอาดโดยสภาพของอาหารก็เหมือนกับเราเอาของโส โ, โรครกไปใส่ในตัวเราทุกๆวันเอ่อจะเป็นหมูเป็นเห็ดเป็ดไก่อะไรก็ตามที่เราบอกว่าอาหารที่ดีที่สุดก็คือเราเอาของที่ไม่สะอาดนั่นเองมาใส่ในตัวเรา และมันก็จัดเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดอย่างนี้เพราะว่าทุกขุมขนที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์นั้นจะเป็นที่ถ่ายเทของของปฏิกูลทั้งนั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเลยที่ที่ไม่ปฏิกูลเหงื่อที่ออกมาก็เป็นของปฏิกูลเหงื่อที่ออกตามขุมขนเนี่ยก็เป็นของปฏิกูลไม่ใช่เป็นของสะอาดแต่ความจริงของกายเป็นอย่างนี้ท่านก็ให้เราพิจารณาอยู่เสมอ โดยให้ใช้ความฉลาดในทางสติปัญญาเนี่ยพิจารณาให้ลึกซึ้งไม่ใช่พิจารณากันด้วยความงมงายเมื่อเกิดความงมงายแล้วบางทีก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความประมาทมัวเมาอย่างที่ในปัจจุบันเนี่ยเราประกวดความงามกันแล้วเราก็ไปนั่งชมเชยความงามและด้วยความงมงายไม่ทราบว่า ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรงามแ้่คนที่ถูกชมก็เหลืองใจคนสุดท้ายก็ตั้งตนอยู่ในความประมาทและก็เป็นผู้ที่อาศัยความประมาทเช่นนี้แหละจะต้องประกอบกรรมทำชั่วต่อไปเดี๋ยวเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรจะได้ศึกษาพิจารณาความจริงส่วนนี้เพราะปัจจุบันถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้บ้าง จิตใจก็ไม่ค่อยสงบความวุ่นวายความฟุ้งซ่านต่างๆบางครั้งก็จะเกิดขึ้นได้เะฉะนั้นท่านจึงต้องสอนให้เราพิจารณากันแต่ในการพิจารณาความไม่งามเช่นนี้นอกจากพิจารณาไปตามลาดับแล้วท่านบอกว่าอยากให้รีบร้อนนะและก็อยากให้เฉื่อยช้านนะการปฏิบัติเนี่ยรีบร้อนก็ไม่ได้เฉื่อยชาก็ไม่ได้ เขาบอกถ้าเรารีบร้อนนะักคือบริกรรมเกสาโลมานาขาสันตาตะโจโดยที่ไม่พิจารณาใช้แต่บริกรรมอย่างเดียวก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับเราเดินทางโดยรีบด่วนเนี่ยเราจะดูอะไรชัดเจนย่อมจะไม่ได้เฉยชานักก็ไม่ได้ท่านบอกถ้าเราเฉยชานักก็ทําให้การปฏิบัตินั้นเสียผลไปเหมือนคนที่เดินทางช้าก็เสียประโยชน์ มันวิธีปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้จึงต้องพยายามประคับประคองจิตด้วยความฉลาดว่าเราจะไม่พิจารณาโดยเร็วนักจะไม่พิจารณาโดยช้านักหรือเฉอยชานักเราจะต้องใฝ่ใจการปฏิบัติเช่นนี้หรือการกําหนดเช่นนี้เพื่อป้องกันความฟุ้งซ่านทัื่อล่วงบัญญัติที่เราบัญญัติกันขึ้นเหล่านี้ ไปสู่สภาวะธรรมที่แท้จริงแล้วเราก็พิจารณาไปเรื่อยเื่อยความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็จะแจ่มชัดเจนขึ้นเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ใช้ความฉลาดที่เรียกว่าโกศเนี่ยให้มากถ้าเราไม่ใช้ความฉลาดแล้วเขาบอกว่าผลจากการปฏิบัตินั้นก็จะไม่ได้ผลเนี่ยอย่างเราพิจารณาบริกรรมว่าเกสาซึ่งแปลว่าผม ผมนี้โดยปกติแล้วถ้าอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวสีดำท่านบอกว่าสีดำเหมือนลูกประคำดีควายม่ตกรถาท่านาว่าไว้อย่างนั้นแล้วก็มีสันฐานยาวกลมเส้นผมนี่มีสันฐานยาวกลมมีสวดทรงดุจคันช่างโดยทิศคือผมนี่เกิดในทิศเบื้องบน หมายถึงว่าผมเนี่ยก็เกิดบนศีรษะแล้วก็โดยโอกาสคือในข้างทั้งสองนั้นกําหนดด้วยหูหมายความว่ามันจะขึ้นงอกมาแค่เหนือใบหูเท่านั้นแล้วก็สําหรับด้านหน้านั้นก็ที่สุดของผมก็อยู่ที่แค่หน้าผากจากนั้นไปเราก็ไม่เรียกว่าผมแล้วเราเรียกว่าคิ้ว ถ้าบอกว่ามีที่สุดแค่หน้าผากในพิจนารณาตรงนี้ข้างหลังกำหนดด้วยหลุมคอมันจะงอกเพียงแค่หลุมคอเท่านั้นในบริเวณวเหล่านี้รวมเรียกว่าผมผมนี้มันขึ้นที่ที่หนังหนังอันนี้ก็มีลักษณะชุ่มไม่แห้งหนังที่ชุ่มห่อหุ้มกระโหลกศีรษะไว้เป็นที่ปรากฏ โดยปริเชตก็คือผมทั้งหลายเบื้องต่ํากาหนดด้วยพื้นรากเบื้องต่ำของตนซึ่งแยงเข้าไปประมาณเท่ากับปลายเข้าเปลือกหมายถึงว่ารากผมเนี่ยที่มันย่างลึกลงไปในผิวหนังเนี่ยเท่ากับปลายเมร็ดเข้าเปลือกบอกเนี่ยโดยปริเฉตก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้โดยแค่นี้แล้วก็มีหนังหุ้มศีรษะกาหนดด้วยอากาศ ส่วนกว้างนั้นก็ระหว่างเส้นต่อเส้นถ้าบอกให้เราพิจารณาถึงที่เกิดอย่างนี้ก่อนเป็นเบื้องตอน้นว่าเกิดที่ไหนอย่างไรและต่อไปก็ให้กําหนดโดยความเป็นปฏิกูลปฏิกูลเนี่ยคือโดยความไม่สะอาดออปฏิกูลด้วยอะไรบ้างท่านบอกว่า คำว่าปฏิกูลในที่นี้หมายถึงว่าโดยสีของผมก็เป็นของปฏิกูลแล้วสีก็เป็นของปฏิกูลสีของผมเนี่ยปฏิกูลโดยสีปฏิกูลโดยสวนทรงโดยกลิ่นโดยที่อาศัยล้วนแล้วแต่เป็นของน่าเกลียดทั้งนั้นตาบอที่อาศัยเกิดก็เป็นที่ที่ไม่สะอาดเพราะผิวหนังของมนุษย์ก็ชุ่ม สีของผมนั่นก็เปลี่ยนแปลงได้จากดำเป็นขาวร้วนแล้วแต่เป็นของที่ไม่สะอาดทั้งนั้นในพิจารณาอย่างเนี้ยเป็นอารมณ์อยู่เสมอเราก็จะเห็นว่าผมเป็นของที่ไม่สะอาดออในสมัยก่อนเนี่ยผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนาต้องปรมผมก่อนผมก่อนแม้ปัจจุบันนี้ก็ปรงผมก่อน แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีวิธีปฏิบัติเหมือนสมัยก่อนนั้นสมัยก่อนพอพระท่านปรงผมเนี่ยท่านจะเอาผมมาวางไว้บนฝ่ามือของผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุให้พิจารณาผมบนฝ่ามือเป็นอารมณ์เพราะโดยปกติแล้วเวลาบวชใหม่ๆเราจะรู้สึกเสียดายผมกุลบุตรทั้งหลายที่อยู่ในวัยหนุ่มเสียดายผม พอมิดโกนลงผมท่านนั้นเราสะดุ้งแล้วพระท่านจะให้ให้พิจารณาบนฝ่ามือเนี่ยเพ่งพิจารณาผมให้เป็นของปฏิกูลสอนตั้งแต่ตน้นบางคนก็กำหนดจนกระทั่งเห็นผมของตัวเองเนี่ยติดตาพอเข้าบวดเป็นพระอุปชาสอนอีกและไม่ใช่สอนเป็นนกแก้วนกขุนทองเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ท่านให้นั่งสมาธิต่อนหน้าอุปชายอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ท่านไม่ใช่บวดรวบรับเหมือนอย่างปัจจุบันนี้หรอกให้ทํากรรมฐานเดี๋ยวนั้นเลยท่ามกลางสงพิจารณาจริงๆแล้วก็สอนว่าอันเนี้ยผมนะปฏิกูลยังไงอะไรต่างๆท่านก็สอนเพื่อให้จิตของผู้เข้าบวชเนี่ยสงบระงับตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็สอนให้พิจารณาเป็นกรรมฐานเช่นเนี้ยตลอดไปยามใดที่จิตฟุ้งซ่านก็ให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของปฏิกูล เ, เพื่อขจัดความยินดีในร่างกายให้หมดไปเพื่อขจัดความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในจิตให้หมดไปโดยให้พิจารณาถึงสภาพของผมและความจริงของผมอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาโดยสีสันฐานกลิ่นที่อาศัยและโอกาสแล้วเราก็จะเห็นผมเหล่านี้ได้ชัดเจนว่าเป็นของที่ไม่สะอาดทีนี้ขนอ่ะ ถ้าบอกว่าการพี่เจรนาขนก็เช่นกันท่านสอนไว้โดยละเอียดในวิสุธทธิมารกเนี่ยท่านบอกว่ า, าโดยเฉพาะขนเนี่ยธรรมดาแล้วก็ในตัวเราทุกคนเนี่ยจะมีขนอยู่ทั้งหมดเก้าหมืนขุมรบรึเปล่าไม่รู้ใครลงนับดูบ้างกะได้เก้าหมื่นขุ ม, มอยู่เก้า0มืนขุมเนี่ยในทั่วตัวเราทั้งหมดนี ประมาณเก้าหมื่นขุมในเก้าหมื่นขุมนี้ถ้าจะพิจารณาโดยสีของขนแล้วก็เป็นของปฏิกูลที่เกิดก็เกิดในที่ที่ปฏิกูลโดยสันฐาณก็ปฏิกูลโดยกลิ่นก็เป็นของที่ปฏิกูลโดยโอกาสก็เป็นของที่ปฏิกูลเนี่ยถ้าพิจารณาสภาพของขนอย่างนี้ โดยถูกต้องที่เกิดก็คล้ายๆกันกับขนเหมือนกันให้พิจารณาขนเป็นอารมณ์คล้ายๆกับผมเหมือนกันที่นี้เล็ดท่านบอกว่าเล็ดเนี่ยเรามีกันทั้งหมดอยู่ยี่สิบกับยี่สิบกับก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าที่นิ้วมือมีอยู่สิบกับนิ้วเท้ามีอยู่สิบกับก็รวมทั้งหมดเป็นยี่สิบกับ คนหนึ่งคนหนึ่งจะมีเล็บยี่สิบกลับเล็บนี้ถ้ากล่าวโดยสีแล้วก็เป็นสีขาวเล็บเป็นสีขาวโดยสันฐานและมีส่วนทรงเหมือนกับเปลดปลาหเหมือนกับเปล็ดปลาที่จะเป็นปลาอะไรก็ตามเถอะก็มีลักษณะคล้ายๆกันกับเล็บที่เรามีอยู่เนี่ยคล้ายๆกับเปลกเปลืปลาในสถานที่เกิดแล้ว ถ้าบอกว่าเล็บเนี่ยเกิดในที่เบื้องต่าก็คือที่เท้าเบื้องบนก็คือที่มือที่ปลายเล็บมือและปลายเล็บเท้าที่ที่นิ้วมือกับนิ้วเท้าดีสถานที่เกิดอันนี้คิดว่าทุกท่านเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าเล็บเนี่ยก็มีอยู่โดยทั่วกันทุกคนแต่ว่าบางคนนี่รักเล็บเหลือเกินเอาไว้ัลรักเล็บมากพอเล็บหักร้องไห้ก็มี บางคนรักถึงขนาดนั้นทั้งๆ ท, ที่เป็นของปฏิปูลอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นของสะอาดอะไรเลยแต่เราไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเราจึงเกิดความไม่เข้าใจในเล็บที่เรามีอยู่ทีนี้ลักษณะ ข, ของฟันถ้าเราฟันโดยปฏิของคนแล้วเนี่ยคนหนึ่งคนหนึ่งจะมีฟันเพียงสามสิบสองซี่เรามีกันสามสิบสองซี่ถ้าจะมากจะน้อยกว่านี้ก็เป็นเรื่องพิเศษเฉพาะ บางคนเท่านั้นแต่โดยทั่วไปแล้วเราบีกันคนละ32ซี่ฝันของเราทุกคนนี้ท่านกล่าวว่ามีทั้งชั้นบนและชั้นล่างของบริเวณปากชั้นล่างก็มีชั้นบนก็มีมีทั้งสองชั้นด้วยกันรวม32ซี่ใน32ซี่เนี่ยให้เราพิจารณาถึงสีของฝัน ถึงสันฐานของฝันที่เกิดของฝันว่าเป็นของปฏิกูลให้พิจารณาฝันว่าปฏิกูลแล้วก็ปฏิกูลอย่างไรคิดว่าเราทุกคนก็ทราบดีแล้วทุกวันเราต้องแปลงฝันเช้าขึ้นมาต้องแปลงฝันวันไหนไม่แปลงฝันก็คงจะไปคุยกับชาวบ้านก็ไม่ได้เราต้องแปล ง, งวันทงความสะอาดวันหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องสองครั้งบางท่านถึงสามครั้งก็มี คือหลังรับประทานอาหารก็ต้องทำความสะอาดฟันกันละ่ะส่วนหนังนั้นท่านบอกว่าห่อหุ่มร่างกายของเราเนี่ยทั่วทั้งร่างทั้งข้างบนและข้างล่างเต็มไปด้วยผิวหนังที่ห่อพุ่มร่างกายไว้ผิวหนังนี้โดยสีแล้วท่านบอกว่ามีสีขาวอย่างเดียวแต่ว่าเราจะเห็นว่าหนังนี้มีสีขาวก็ต้องรอกออก เราก็จะเห็นความขาวของผิวหนังที่สันฐานของหนังถ้าดอกออกแล้วท่านก็บอกว่าจะมีสันฐานอย่างเนี้ยหนังนี้เป็นที่ห่อหุ้มอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายไว้ทั้งหมดหรือห่อหุ้มปฏิกูลเหล่าเนี้ไว้ทั้งหมดของอะไรอะไรก็อยู่บนผิวหนังเนี่ยนับว่าเป็นหนังที่เหนียวที่สุด ในบรรดานหนังทั้งหลายต่ว่าหนังมนุษย์เนี่ยเหนียวที่สุดเพราะว่าหนังบางๆเนี่ยมันห่อหุ้มของใหญ่ๆเอาไว้ได้ไม่ให้กระจัดกระจายออกไปในตัวเรานี้ถ้าหากว่าจะมาสูบฉีดเอโรฮิตออกเนี่ยหรือเอาน้ำออกจากร่างกายเนี่ยเป็นถังๆแต่ว่าหนังเนี่ยรองรับเอาไว้ได้ห่อหุ้มน้ำเหล่านี้เอาไว้ได้ห่อหุ้มเนื้อไว้กระดูกเอาไว้ หลับไตไส้พุงอะไรต่างๆเนี่ยกองอยู่กองนึงเอาไว้ห่อพุ้มเอาไว้อย่างมิดชิดไม่ใหกกระจาย ก, กระจายไปให้เราพิจารณาเช่นนี้อยู่เสมอว่าเนี่คือหนังสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของปฏิกูลให้พิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลและให้พิจารณาโดยฐานะว่ามันไม่ใช่ของเรานอกจากเป็นของปฏิกูลแล้วก็ไม่ใช่เป็นของของเราผลสุดท้ายก็ต้อง อแตกสลายไปในที่สุดท่านทั้งหลายที่เคยไปเผาศพตามมันนอกก็คงจะได้เห็นสภาพของความจริงส่วนนี้ในกรุงนะ่ะไม่ได้เห็นหรอกเพราะปัจจุบันนี้ศพในกรุงก็เราไปเห็นแต่โรงสวยๆงามๆทั้งนั้นแต่ตามมันนอกเวลาเผาที่ยังไม่มีเมนทันสมัยเหมือนในกรุงเนี่ยเราเห็นสภาพได้ชัดเจนเมนื่อวานเนปตามาก็ไปเผาที่ศพไปนั่งดูจนมอดไหมจะเห็นได้ว่า เนื้อของมนุษย์เนี่ยพอ ถ, ถูกไฟเผาแล้วมันก็จะค่อยๆไหม้ไปหลุดไปทีละชิ้นทีละชิ้นซึงรวนแล้วแต่เป็นของที่ปฏิกูลทั้งสิ้นและก็ไม่ใช่ของของเราเลยพอตายแล้วก็จะต้องถูกเผาอย่างนี้เหมือนกันฉะนั้นระหว่างที่พิจารณากรรมฐานก่อนี่ยในตรจัปปัญจก ร, รมฐานานี้ก็ให้เราได้พิจารณาในฐานะที่ เป็นของปฏิกูลแล้วก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลหรือตัวเราที่จะไปยึดถือกันอย่างจริงจังเพราะถ้ายึดถือมากแล้วก็เป็นทุกข์มากเราควรจะคิดกันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยสําหรับในปัจจุบันนภพที่เราจะประกอบกรรมดีกรรมชั่วกันเท่านั้นเองในเมื่อเราอาศัยใช้สิ่งใดเราก็ต้องคอยทนุบรมรุงสิ่งนั้นอยู่ ลอยเฝ้าทะุถนอมบำรุงอยู่เนี่ยเราก็ต้องพิจารณากันจริงอยู่ในปัจจุบันเนี่ย เ, เราจำเป็นที่เราจะปล่อยปละละเลยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปไม่ได้เพราะที่พระพุทธองค์ให้พิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลก็ไม่ใช่หมายความว่าให้เราทิ้งไว้เป็นของปฏิกูลถ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเราจะต้องแต่งอยู่เสมอทำความสะอาดอยู่เสมอ